บทที่96โยมอองตาทิพย์ท่านพระครูยังไม่ละความที่จะพิสูจน์ให้รู้แจ้งเหตุจริงว่าสาวอองรู้จดจําบุคคลตลอดจนสิ่งต่างๆได้อย่างไรในเมื่อตามองไม่เห็นนอกจากนี้ยังสามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งนี้เหมือนหรือว่าแตกต่างจากสิ่งนั้นอย่างไรท่านพยายามทดลองด้วยวิธีการต่างๆ หากคำตอบที่ได้ก็ยังไม่เป็นที่พอใจเรื่องจึงยังยุติไม่ได้วันหนึ่งนายแดงกับนายขาวพาเพื่อนรุ่นเดียวกันมาที่วัดสามคนท่านจึงเห็นโอกาสที่จะใช้ให้เด็กนมทั้งห้าคนนี้เป็นหนูตเาเผาให้ท่านทดลองเพื่อจะหาข้อสรุปเรื่องนางสาว อ, องหลวงพ่อครับผมพาเพื่อนมากราบหลวงพ่อนายแดงแนะนำ และเด็กหนุ่มสามนายก็พากันกราบท่านพระครูมาจากไหนกันละ่ะท่านถามจากอำเภออินบุรีครับพวกผมเรียนโรงเรียนเดียวกันหนุ่มน้อยคนที่หน้าตาหล่อเหลวกว่าเพื่อนตอบเขาชื่อพิษณุชื่ออะไรกันบ้างแล้วก็เป็นลูกเต้าเหลาใครเด็กหนุ่มแต่ละคนจึงบอกชื่อตัวเองพร้อมทั้งชื่อพ่อแม่ แนะนำตัวกันเสร็จแล้วนายแดงจึงพูดขึ้นว่าผมกับน้องจะขออนุญาตหลวงพ่อไปดูลิเกที่วัดโบทกับเพื่อนๆจะได้ไหมครับวัดโบทถ์เขามีงานฉลองสาลาสามวันสามคืนได้สิเอาอย่างนี้ข้าจะให้เงินพวกเองไปซื้อเสื้อใหม่สำหรับใส่ไปดูลิเกแต่ต้องใส่สีเดียวกันทั้งห้าคนเลยนะอย่าได้สีอะไรละ่ะสีแดงครับ เพราะผมชื่อแดงนายแดงรีบตอบผมชื่อขาวแต่ก็ชอบสีแดงครับเพื่อนอีกสามคนก็ชอบสีแดงนายขาวรีบตอบแทนเพื่อนเพราะต้องการเอาใจพี่ชายงั้นก็ดีแล้วพวกเองไปซื้อเสื้อสีแดงมาใส่แล้วก็พากันมให้ข้าดูหน่อยสิว่าจะหล่อเท่ากับข้าตอนเป็นหนมหรือเปล่า ท่านพูดอย่างอารมณ์ดีแล้วจึงหยิบเงินให้แฝดพี่ไปสองร้อยสั่งว่าไปซื้อที่ตลาดปากบางนี่แหละรีบไปรีบมานะขอบคุณหลวงพ่อมากครับถ้าเงินเหลือผมจะนำมาคืนเสื้อตัวหนึ่งอย่างแพงก็ไม่เกิน30บาทนาแดงพูดอย่างเกรงใจงั้นที่เหลือก็ไปแบ่งกันคนละ1ิบบาทเป็นค่าขนมครับ พวกเรากราบขอบคุณหลวงพ่อกันเด็กหนุ่มรับคำแล้วบอกพักพวกให้กราบขอบคุณหลวงพ่อจากนั้นก็ลุกออกมาทัานทีที่รับสายตาท่านสมพานในขาวก็พูดขึ้นว่าสงสัยฝนจะตกน้ำท่วมประเทศไทยเสียกระมังหลวงพ่อไม่เคยใจดีอย่างนี้มาก่อนเลยจริงไหมพี่เขาถามแฝดพี่นั่นสิ ข้ายังนึกว่าตัวเองฝันไปเฮ้ย hey, พวกเองว่าข้าฝันไปหรือเปล่าวะนมน้อยถามพักพวกถ้าเองคิดว่ากำลังฝันก็เอาเงินสองร้อยนั่นมาให้ข้าแล้วก็กลับไปนอนฝันต่อได้นายพิษณุพูดขึ้นไม่มากไปหน่อยหรือเพื่อนเดี๋ยวพ่อเตะซะนี่นายแดงชักมีโมโห เงินสองรอยในมือทําให้เขารู้สึกว่าตัวเองสําคัญกว่าคนอื่นๆใจเย็นๆข้าเย้าเล่นหรอกนะรีบๆเดินกันเข้าซื้อของเสร็จจะได้กินกว๋วยเตี๋ยวสักคนละชามข้าอยากกินมานานแล้วข้าก็อยากเหมือนกันข้าจะสั่งโอเลี้ยงมากินด้วยในวันชัยสนับสนุนงั้นก็วิ่งแข่งกันไหมล่ะใครถึงก่อนก็ รอคนถึงทีหลังนายขาวออกความเห็นด้วยแน่ใจว่าคนที่ถึงทีหลังต้องเป็นตัวเขาแล้วก็แข่งไปทำไมวะนึกว่าเองจะพูดว่าใครถึงก่อนจะได้เงินมากกว่ามากกว่าคนอื่นห้าบาทอะไรทำนองนี้นายแดงว่าน้องชายนายสุชาติจึงตัดสินว่าอย่ามัวมาเถียงกันเลยเราวิ่งกันดีกว่าจะได้ถึงเร็ว คนทั้งสี่เห็นด้วยกับนายสุชาติจึงพากันวิ่งบ้างเดินบ้างพักใหญ่ๆก็มาถึงตลาดปากบางและเที่ยวเดินหาซื้อเสื้อแดงเดินกันจนเหนื่อยก็ยังหาไม่ได้เพราะไม่มีสีแดงทั้งตัวอย่างที่ต้องการมีแต่เสื้อลายแดงกับเสื้อดอกถ้าพื้นสีแดงลายดอกก็เป็นสีอื่นที่ลายและดอกสีแดง กับพื้นเป็นสีอื่นเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดทุกร้านสงสัยต้องเข้าไปซื้อในตัวจังหวัดแล้วมัง้งนายแดงเสนออย่าเลยค้าเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อท่านบอกให้ซื้อที่นี่ก็แสดงว่าต้องมีอย่างที่เราต้องการนายขาวแยง้งพลันก็เหลือดไปเห็นเสื้อสีแดงตัวหนึง่งแขวนอยู่ในตู้โชว์จึงบอกพักพวก นั่นไงเห็นไหมข้าพูดจบก็หาเจอเลยเราไปดูกันเถอะเขาเดินนำไปยังร้านตัดเสื้อบุรุษที่มีเสื้อสีแดงแขวนอยู่เยี่ยเสื้อสีแดงนั่นราคาเท่าไรนายแดงถามเจ้าของร้าน40สบบาท คนถูกเรียกว่าเฮียตอบสามสิบได้ไหมพวกผมซื้อห้าตัวเลยนายพิษณุต่อรองสามสิบห้าขาดตัวถ้าพวกลือจะเอาก็เข้ามาวัดตัวและจ่ายค่ามัดจำตัวละส0สิบอาทิตย์หน้ามารับเสื้อค่อยจ่ายที่เหลือขอซื้อตัวที่แขวนนี่แหละมีครบห้าตัวหรือเปล่า มีคนเขาสั่งตัดไว้ห้าตัวพอดีพวกหรือจะเอาไปก่อนก็ได้แล้วอัวคอยตัดให้เขาใหม่มะรืนนี้เขาจะมาเอาเจ้าของร้านบอกถ้าเขาขายตอนนี้ก็จะได้กำไรเพิ่มขึ้นอีก25บหาบาทเพราะลูกค้าสั่งตัดไว้ในราคาตัวละสาสิบบาทงั้นพวกผมขอลองหน่อยเฮียนำเสื้อมาให้หนุ่มน้อยทั้งห้าลอง ปรากฏว่าแต่ละคนใส่ได้พอเหมาะเจาะเรากับสั่งตัดจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วจึงขอถุงใส่เสื้อตัวเดิมกลับส่วนเสื้อแดงนั้นสวยจนไม่กล้าถอดได้กลัวจะยับยุยยีแบ่งเงินกันคนละห้าบาทแล้วจึงไปกินกว๋วยเตี๋ยวกับโอเลี้ยงกระนั้นก็ยังเหลือเงินติด ก, กระเป๋าอีกคนละหกสลึงอิ่มมีปริมันกันดีแล้ว จึงพากันกรับวัดพวกสุนัขพากันเห่าเกลียวกราวเพราะรู้สึกแสบตากับเสื้อสีแดงสดของชายหนุ่มเหล่านั้นหลวงพ่อครับพวกผมมาแล้วนายแดงพาพักพวกขึ้นไปกราบท่านพระครูสมภารวัดป่ามะม่วงกำลังเขียนหนังสือเพลินอยู่คลันเงยหน้าขึ้นก็เห็นหน้าหนุ่มยิ้มอย่างพอใจ เดี๋ยวข้าจะให้พวกเองทำอะไรให้ข้าหน่อยท่านพูดมีเล็ดนยหลวงพ่อจะให้พวกเราทำอะไรครับนายขาวชักใจไม่ดีไม่ต้องกลัวข้าไมา่ให้พวกเองถึงกับต้องเสียชีวิตหรอกนาทำอะไรครับเขาถามอีกไปขโมยขนมใ ย, ยอองที่ในครัวไปกันเดี๋ยวนี้เลยหลวงพ่อจะให้พวกผมผิดศีลข้ออธินาทาเหรอครับ ผมว่าอย่าดีกว่าเดี๋ยวหลวงพ่อจะพรอยบาปไปด้วยนายแดงปฏิเสธอย่างนิ่มนวลทำนองกลัวหลวงพ่อบาปไม่บาปหรอกมันอยู่ที่เจตนาข้าไม่ได้ให้พวกเองไปลักของแกจริงๆแต่ข้าต้องการพิสูจน์ว่าแกจะรู้ไหมว่าเป็นพวกเองถึงต้องใส่เสื้อใหม่ไงล่ะแกรู้นะ่ะหลวงพ่อ ผมไม่เชื่อว่าแกตาบอดเพราะตาบอดจริงก็ต้องไม่รู้ผมก็เจบขาไปลักขนมแกกินทีไรก็ถูกแกด่าทุกทีเอาเถอะนะลองดูอีกทีหนึง่งจะได้รู้ว่าแกตาบอดจริงหรือบอดปลอมท่านรู้ชัดว่านางสาวอองตาบอดจริงหากต้องการรู้ว่าแกรู้และจำใครต่อใครได้อย่างไร ตกลงกันไปที่เรียบร้อยแล้วสมภารเจ้าวัดก็นําเด็กหนมทั้งห้าไปยังโรงครัวนางสาวอองกําลังนั่งเคี้ยวหมากอยู่อย่างสบายอารมณ์ท่านพระครูก็บอกให้หนมนมค่อยๆ ย, ย่องไปยืนเรียงแถวเป็นหน้ากระดานต่อหน้าหล่อนประเดี๋ยวหนึ่งนางสาวอองก็เอ่ยขึ้นว่าว่ายังไงพวกเองจะมาลักขนมข้ากินอีกหรือไง แม่จะวอยวันนี้ใส่เสื้อใหม่ทั้งพี่ทั้ ง, งน้องเลยยายรู้ได้ไงล่ะนายแดงถามก็ขาดไดกรินนางสาวอองตอบแล้วรู้ไหมว่าพวกผมมากันกี่คนใส่เสื้อสีอะไรกันบ้างคนถูกถามนิ่งอยู่สักครู่หนึ่งจึงตอบว่าพวกเองมากันห้าคนใส่เสื้อสีแดงเหมือนกันทุกคนเลย ในแดงจึงหันไปบอกกับท่านพระครูซึ่งยืนอยู่ห่างๆว่าเห็นหมผมบอกหลวงพ่อแล้วว่าแยอองแกไม่ได้ตาบอดจริงๆไม่งั้นจะรู้หรือว่าพวกผมใส่เสื้อสีอะไรมากันกี่คนท่านพระครูจึงต้องเดินเข้ามาสมทบนางสาว อ, องได้กลิ่นจึงก้มลงกราบสามครั้งแล้วก็ทักขึ้นว่า หลวงพ่อก็มากับไอ้พวกนี้ด้วยหรือมันชอบมาขโมยขนมฉันกินหล่อนฟ้องไกล่กลแกรู้ได้ยังไงล่ะโยมอองก็แกตาไม่เห็นไม่ใช่หรือฉันใช้ดมกลิ่นจ้ะสมัยฉันตาดีจมูกฉันแยกกลิ่นไม่ออก แต่พอตาบอดฉันก็ใช้จมูกแทนตาก็ใช้จมูกเห็นแทนตาว่างั้นเถอะท่านพละครูยิ่งสงสยัยจมูกกับตามันทาหน้าที่คนละอย่างนะหลวงพอ่อใครจะเอาจมูกไปเห็นได้ละ่ะฉันเพียงแต่จะบอกว่าฉันใช้จมูกดมกลิน่นแล้วก็รู้ว่าเป็นกลิ่นใครรู้ว่ากลิ่นอะไรคนเรามีกลิ่นไม่เหมือนกันหรอกนะ อย่างไอห้าคนเนี่ยฉันได้กลิ่นต่างๆกันห้ากลิ่นถึงบอกได้ว่ามันมากันห้าคนหล่อนอธิบายและแกรู้ได้ยังไงว่าพวกเขาใส่สีแดงสีมันก็มีกลิ่นต่างกันนะหลวงพ่อสมัยที่ฉันตาดีฉันก็จำได้ว่าสีแดงกลิ่นอย่างนี้สีขาวกลิ่นอย่างนี้พอตามมองไม่เห็นก็อาศัยวิธีแยกแยะกลิ่น จึงรู้ว่ามีสีอะไรเพราะกลิ่นมันบอกอย่างนั้นหรอกหรือข้านึกว่าแกได้เห็นหนอแล้วสิอีกท่านพลักครูยา้าฉันยังไม่ได้หรอกจ้ะถ้าได้เมื่อไรก็จะเรียนให้หลวงพ่อรู้เป็นคนแรกและจนได้หรือยังละ่ะท่านย้าอีกฉันอธิษฐานจิตไว้ว่าขอให้ได้วันที่เป็นวันพระขึ้นส5บห้าค่ำอีกเจ็ดวัน ก็จะถึงถ้ามีบุญวาสนาก็คงจะได้ดังที่อธิษฐานงั้นก็ขอให้สมความปรารถนาก็แล้วกันข้าหมดข้อสงสัยแล้วจะกลับกุฏิละอ่ะพวกเองจะไปดูลิเกก็ไปกันได้แล้วท่านบอกหนุ่มน้อยทั้งห้าอ๋อใส่เสื้อสีแดงนี่จะไปดูลิเกกันหรอกหรืองั้นก็รีบไปซะเดี๋ยวจะมืด หล่อนบอกพวกนมนมวันพระขึ้นส5ห้าค่ำท่านพระครูลงปฏติโมกอันเป็นกิ จ, จวัดของสงออกจากโบสถ์แล้วก็เดินกลับกุฏิกำลังจะขึ้นไปเขียนหนังสือแม่ชีเขียวกับแม่ชีเจียนก็มารายงานว่าหลวงพ่อยยอองตายแล้วทิ้งจดหมายไว้ให้หลวงพ่อด้วยแม่เขียวส่งจดหมายให้กับพระครูสมพานวัดป่ามะม่วงรับมาอ่านดั ง, ดง ให้ชีทั้งสองได้ยินความว่ากราบนมัสการหลวงพ่อที่เคารพยางสูงฉันได้เห็นหนอแล้วเมื่อตอนบ่ายสองถ้าไม่ได้ฉันก็คงเขียนจดหมายฉบับนี้ถึงหลวงพ่อไม่ได้ฉันดีใจที่อธิษฐานขึ้นจึงขอลาไปสร้างกุศลต่ อ, อยังสวรรค์ชั้นดุสิตอันเป็นที่สถิตของนักปราดราชบัณฑิตทั้งหลาย ฝากทำศพให้ฉันด้วยและหากมีอะไรที่ฉันเคยล่วงเกินหลวงพ่อไว้จะด้วยกายก็ดีด้วยวาจา ก, ก็ดีหรือด้วยใจก็ดีฉันขออโหสิกรรมจากหลวงพ่อด้วยเห็นหนอบอกว่าหลวงพ่อหลุดพ้นแล้วฉันก็กาลังจะเดินตามรอยหลวงพ่อจะ่ะขอกราบนมัสการลาหลงชื่อนางสาว อ, อง แม่ชีไปเห็นตั้งแต่เมื่อรายแกตายนานหรือยังท่านพระครูถามแม่ชีทั้งสองคงไม่ถึงชั่วโมงหรอกจ้าหลวงพ่อเพราะก่อนหน้านี้ชั่วโมงหนึ่งแกไปหาชั้นที่สำนักชีบอกว่าอีกชั่วโมงนึงให้ช่วยไปหาแกหน่อยแล้วแกก็ขอบใจชั้นกับแม่ชีเจียนที่ช่วยสอนกรรมฐานให้แม่ชีเขียวตอบแม่ชีเจียนเสริมว่า ฉันก็ไม่ได้เอกใจเพราะกำลังทำงานเพลินอยู่พอนึกขึ้นได้ก็ชวนแม่เขียวไปดูที่โรงครัวก็เห็นว่าแกตายแล้วจึงมาเรียนหลวงพ่อนี่แหละเอาเถอเอาเถอถ้าอย่างนั้นก็ไปจัดการอาบน้ำศพให้แกส่วนลงคงต้องไปซื้อปรุ่งนี้เช้าอาตมาว่าสวดพระอภิษรรมสามคืนรุ่งเช้าก็ชาปนากิจเลยดีไมท่านขอความเห็น สุดแล้วแต่หลวงนาเธอจะ่ะญาติพี่น้องแกก็คงไม่มีแล้วกระมังเพราะตั้งแต่มาอยู่ที่เนี่ยไม่เห็นมีใครมาเยี่ยมสักคนหลังจากชาปนากิจจบนางสาวอองได้สามวันวัดป่ามะม่วงก็ได้ต้อนรับพระอคันตุกะรูปหนึ่งซึ่งได้เดินทางมาจากวัดภาวนาพิระตารามหลวงพี่สบายดีหรอครับ พระมหาวิจิตตทักทายท่านพระครูหลังจากกราบเบญจางคับปิษสามครั้งแล้วก็เรื่อยๆท่านมาหาไปยังไงมายังไงละเนี่ยคือผมไปเยี่ยมโยมแม่ที่ดงมันเลยมาแวะเยี่ยมหลวงพี่ด้วยผมสอบได้ปรรียนธรรมประโยก9้าจึงตั้งโรงเรียนปรยิยติธรรมขึ้นในวัดเพื่อสอนพระสอนเนนซึ่งตอนนี้มีอยู่ร้อยกว่ารูป พระ ก, ก็ต้องเรียนนะครับหลวงพี่บวชแล้วต้องเรียนไม่ใช่บวชมานั่งกินนอนกินไปวันวันให้เปลืองข้าวญาตโยมเขาที่วัดหลวงพี่มีพระเนนจะส่งมาเรียนที่วัดผมก็ได้นะครับท่านเอื้อเฟือดีจริงงั้นผมจะฝากลูกศิษย์สักสองคนให้ไปบวชเนนที่วัดท่านแล้วก็เรียนอยู่ที่นั่นเลยท่านพระมหากรุณาเป็นธุระให้ผมได้หรือเปล่า หรือจะให้บวชที่วัดนี้แล้วค่อยไปท่านหมายถึงนายแดงกับนายขาวผมไปบวชให้ที่วัดภาวนาก็ได้ว่าแต่หลวงพี่ขออนุญาตพ่อแม่เขาแล้วหรือครับไม่ต้องขอรอกท่านมาหาเขาไม่มีพ่อแม่มีคนเอามาทิ้งไว้ที่หน้าประตูหน้าวัดตอนที่ผมไปพบหนะมดขึ้นแล้วก็เลยอุ้มมาให้แมดชีเขาเลี้ยง กว่าจะโตผมก็ถูกเขานินทาเสีไม่มีดีเขาหาว่าผมมีลูกกับจีลือกันไปจนเข้าหูเจ้าคณะจังหวัดตอนแรกท่านก็เชื่อพอไปประชุมที่สีลังกาด้วยกันท่านก็ถามผมก็เล่าให้ท่านฟังตามเป็นจริงท่านจึงรู้ว่าผมถูกใส่ร้ายป้ายสีคนเดี๋ยวนี้ไม่กลัวบาปกลัวกรรมเลยนะหลวงพี่ ผมเองก็เคยถูกกล่าวหาในเรื่องคล้ายๆกันเนี่ยที่วัดผมมีชีมาอยู่หลายคนบางคนก็มาบวชเพื่อจะศึกผมพยายามมาป่วนเปี่ยนทิกุติผมก็ตะเพิดไปทุกครั้งเขาก็เอาไปเป่าประกาศว่าผมจะปล้ำเขาคนที่ไม่รู้ความจริงก็พากันเชื่อผมละสงสารพวกเขาเลือกเกินสงสารที่เขาจะต้องตกนรก พระสายร้ายป้ายสีพระสงฆ์องค์เจ้าเรื่องที่พระมหาวิจิตตเล่าทำให้ท่านพระครูนึกถึงชีชบาซึ่งถูกเขาจ้างให้มาทำลายชื่อเสียงของท่านจึงพูดขึ้นว่าบางทีพระด้วยกันก็ยังมีอิจฉาริษยาปัดแข่งปัดขากันนะท่านมหาผมเองก็โดนมาแล้วแต่ผมไม่สนใจใครจะว่ายังไงก็ช่าง ผมทำหน้าที่ของผมไปตามปกติเขินมาใส่ใจเรื่องไม่เป็นเรื่องก็คงไม่ต้องทำอะไรใครอยากบาปก็ช่างเขาผมก็จะมุ่งหน้าสร้างความดีให้กับตัวเองและพระศาสนาต่อไปเพราะได้ตั้งปณิธานไว้แล้วผมก็เหมือนกันครับหลวงพี่ผมมาบวชก็เพราะหวังมรรคผลนิพพานผมจะสอนพระเนนไปสักระยะหนึ่ง พอมีคนสอนแทนได้ผมจะออกทุดดงผมอยากพบหลวงปู่เทพโลกอุดร อ, อยากถวายตัวเป็นศิษฐ์ท่านแล้วเคยพบท่านบ้างหรือยังไม่เคยพบท่านจังๆพบแต่ภาพเลือนๆขณะที่ผมนั่งสมาธิแต่เสียงท่านชัดเจนมากเวลาผมคิดอะไรไม่ดีท่านจะสอนผมเตือนผมให้คิดเจียม่ ท่านพระครูเกิดความสงสัยว่าพระมหาวิจิตจะเป็นบุคคลเดียวกับที่หลวงพ่อดำพูดถึงหรือไม่จึงจำเป็นต้องตรวจสอบด้วยเห็นหนอแล้วก็รู้ว่าไม่ใช่ในายสำริดนายแดงและนายขาวเดินเข้ามาในกุฏิ มีชายหนุ่มอายุราวคราวเดียวกับนายสํมฤทธิ์อีกคนหนึ่งมาด้วยคนทั้งสี่้ามากราบท่านพระครูและพระอคัญตุกะนายสํมฤทธิ์พูดขึ้นว่าหลวงพ่อครับผมจะออกไปอยู่บ้านแฟนเลยพาเพื่อนมาฝากตัวเป็นผู้ดูแลหลวงพ่อแทนผมเขาชื่อสมชายครับบ้านอยู่เหนือวัดขึ้นไป ท่านพระครูมองหน้าในสมชายรู้สึกถูกชะตาและรู้ว่าเขาทําหน้าที่ดูแลรับใช้ท่านดีกว่าในสมริดหลายเท่าขอบใจนะพ่อหนมขออนุโมทนาและบอกกับนายแดงและนายขาวว่าข้าจะส่งเองสองคนไปบวชเนนอยู่กับท่านมหาจะได้เรียนบาลีกับท่านวัดอยู่ที่ไหนครับนายแดงถามท่านมหา เขาไม่อยากบวชหากก็ไม่กล้าขัดคำสั่งหลวงพอ่อบางกอกมหาวิจิตตอบเด็กหนุ่มรู้สึกดีใจที่จะได้ไปอยู่บางกอกคิดว่าหากมีลู่ทางธรรมาหากินก็จะสึกออกมาถึงตอนนั้นหลวงพ่อคงทำอะไรเขาไม่ได้จึงพูดขึ้นว่าไปก็ได้ครับจะให้เตรียมตัวเดี๋ยวนี้เลยหรือเปล่า ค่อยไปพรุ่งนี้ดีกว่านิมนท่านมหาจำวัดที่นี่สักคืนจะได้คุยกันไม่เจอกันตั้งนานผมมีเรื่องคุยเยอะท่านพระครูนิมนต์เจ้าอาวาสวัดภาวนาพิระตารามขอบคุณครับผมอยากคุยกับหลวงพี่เหมือนกันผู้บวชที่หลังรับคำเชิญงั้นผมกลาบลาหลวงพ่อไปวันนี้เลยนะครับนายสำริ์พูดขึ้น ตามใจเองก็แล้วกันส่วนเธอจะไปไปมามาก็ได้วันไหนมีธุระ ส, สำคัญค่อยมาค้างที่วัดเจ้าแดงกับเจ้าขาวไปพรุ่งนี้เธอจะมาอยู่ห้องเจ้าสองคนนี้แทนก็แล้วกันครับนายสมฤทธิ์กับนายสมชายลุกออกไปผู้ที่นั่งอยู่ใะที่นั้นได้สัมผัสกับกลิ่นสุราโวยมาจากสองหนุ่มท่านพระครูพูดว่า แย่จังนะท่านมหาโบราณเขาว่ายิ่งเกลียดยิ่งเจอผมเกลียดคนกินเหล้าก็ต้องมาเจอคนกินเหล้าอีกเจ้าสำริดไปเจ้าสมชายมานึกว่าจะดีกว่าที่แท้ก็อพอกันลงเถิะลงพี่เครึ่องหัดเมายังดีกว่าพระเมานะครับลงพี่เกลียดคนกินเหล้าแต่ผมเกลียดพระกินเหล้า ที่วัดผมให้สึกไปหลายรูปแล้วไม่เอาไว้ให้มาเป็นเยี่ยงอย่างของพระเนรหรอกแต่ที่วัดหลวงพี่คงไม่มีนะครับถ้ามีผมก็ให้สึกเหมือนกันนิมนต์ท่านสง้น้าให้สบายก่อนเถอะครับยังมีเวลาคุยอีกนานวันพระขึ้นสิบห้าค่ำเวลาประมาณตีสามท่านพระครูฝันเห็นหลวงพ่อของท่านพระพองมาบอกพระลูกชายว่า ท่านจะเบยบำเพนบารมีต่อในเทวโลกจึงมาลาพระลูกชายหลวงพ่อปฏิบัติไปถึงไหนแล้วครับท่านพระครูถามหลวงพ่อของท่านในฝันผมเข้าถึงกระแสแล้วปิดอบายภูมิได้แล้วฝากท่านดูแลโยมแม่ของท่านด้วยส่วนเรื่องศพของผมหลวงพ่อช่อท่านคงจัดการตามหน้าที่ผมขอลา ภาพนั้นหายไปท่านพระครูตื่นเพื่อบำเพ็ญสมณกิจท่านรู้ว่าเรื่องในฝันนั้นเป็นจริงทุกประการท่านผู้ฟังที่เคารพคะทั้งหมดนั้นคือนารีผลโดยผู้ใช้นามปากาว่า สุทสาอ่อนค้อมอ่านโดยเพนสีอินทรทั์จบบริบูรณ์ค่ะ